ใช่ไหมพุทธะเนี่ยนี่เราจเจริญพุทธคุณพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมใชม่ตรงนั้นการที่เราจะเห็นธรรมของพ่อสามมาสามพุทธเจ้าเป็นต้นหรือจะเห็นพระผู้มีภาคเจ้าเป็นต้นก็จะต้องเห็นพุทธคือเห็นสภาวะที่ตัดสรูวอริยสัตว์สภาวะที่ตัดสรูอริยสัตว์ได้ด้วยตนเองสภาวะอะไรที่ตัดสรตอริยสัตว